ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสภาสังวรสูตรประสูติว่าด้วยอาสวะที่พึงละได้ก็เจ็ดวิธีด้วยกัน ก่อนๆพูดถึงวิจีที่สองคืออสวะที่พึงละได้เพราะการสังวรเวลาสัมผัสกับอารมณ์ซึ่งผ่านมาต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยกคายแล้วก็สํารวมระบว่ง การสงควรแก่กรณีดังนั้นประเด็นนี้พึงตั้งข้อสังเกตว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเราสัมผัสอารมณ์ทั้งส่วนที่เป็นเหตุเกิดกุศลและเป็นเหตุเกิดอกุศลการสำรวมระวังจึงเน้นไปในกรณีที่สัมผัสอารมณ์เหล่านั้นแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้น อิเลที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นจึงให้มีการสำรวมระวังก็เป็นหลักของเราอาจจะทำด้วยวิธีโยนิโสมนัสิการคือทำไว้ในใจโดยบายวิธีที่แยบคายถ้าใช้ปัญญาระดับนี้ เราก็อาจจะหาประโยชน์ได้จากอารมณ์ที่เป็นพาหะของกิเลสสมรับคนบางพวกแต่ก็เราแปลเป็นอารมณ์ที่ห้เกิดประโยชน์ได้ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดังนั้นเราจรึงพบว่า พระพุทธเจา้าทรงเป็นต้นแบบในเรื่องเหล่านี้ก่อนที่จะเสด็จออกพนวดเราเห็นว่าสาวสันกำนันในที่นอนเกลื่อนกราดดาสดาอยู่ในปราศาสนั้นสำหรับสามัญชนแล้วก็เป็นอารมณ์ที่น่าใกล้น่าปรารถนาหน้าพอใจแต่พอพระองค์ทอดประเนศเห็นแล้ว โดยปัญญาที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งในเรื่องปัญหาจริงๆของชีวิตที่หมุนบนลอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายกรับทรงมองเห็นชีวิตคนเหล่านั้นซึ่งปัจจุบันนยังไม่ตายแต่ว่าอนาคตก็คือคนตาย จึงมองเห็นเป็นซากศพที่คนทิ้งเอาไว้ในป่าชา้าระหว่างป่อยหน้าผู้พังไปตามการทาไม่ทรงเบือนายมากยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดก็เสด็จออกพ้นหมวดที่แสดงว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาสมหรับคนบางคนนั่นแหละแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพินิพิจารณา โดยบายวิธีที่แยกข่ายอาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมไปทีนี้ในบางกรณีนั้นเราก็ใช้อยโยในโสมณสิกาคือไม่ใส่ใจไม่สนใจตัดใจจากอารมณ์เหล่านั้นโดยการ เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นแต่ว่าตรงนี้ต้องอาศัยหลักปัญญามากถ้าปัญญาไม่มากพอก็เห็นได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าปัญญาเรามากพอเราก็เมื่อตัดทิ้นใจไม่ดูก็คือไม่ดู ไม่ฟังก็คือไม่ฟังไม่ดมก็คือไม่ดมไม่ลิ้มก็คือไม่ลิ้มไม่จับต้องก็คือไม่จับต้องในเนี่ยวนึกสึกนึกก็คือไม่เนี่ยวนึกสึกนึกถ้าทาได้อย่างนั้นมันก็หยุดอาสวะเอาไปได้เหมือนกันหมายความว่าอาสวะที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึนที่เกิดแล้วก็จะเสื่อมไป ในตอนสุดท้ายได้ทรงสรุปว่าภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทาความคับแค้นเหล่าใดพึงมาเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่สำรวมในมนินสีเป็นต้นคือหมายความมาในจขุนสีเป็นต้นนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ทรงแสดงมาถึงมนินสีอาสวะเหล่านั้น และความเ้าร้อนทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สำรวมในจกักุนสี่โสติสีจิวหินสีกายินสีมนินสีหรือครบตั้งหกประการนะครับแต่ว่าการที่ทรงใช้คำว่าภิกษุก็เป็นตัวแทนของผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะทั้งหลายนั่นแหละแต่พอดีในขณะนั้นผู้ฟังเป็นภิกษุ ก็ส่งใช้คำว่าแก่ภิษุหลังค่าเราอาจจะพบคำว่าบุคคลแต่ว่าธรรมะระดับนี้เป็นธรรมะระดับปฏิบัติก็เป็นเรื่องของสมาวยมามะก็เรียกว่าปฏิบัติตามหลักอกริยมกักตามปกติแล้วถ้าชาวบ้านก็จะมีการฟอกจิตขึ้นมาโดยลำดับ มาถึงจุดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็เป็นอะไรละ่ะโทษของกา ร, รมก็เรียกทานศีลสวรค์แล้วก็โทษของกา ร, รมมาถึงโทษของกา ร, รมต่อไปก็จะกลายเป็นอานิสงส์ในการออกจากกา ร, รมแล้วก็แสดงมรควิธีก็คืออริมัคคุยองแปดประการ ที่จะเป็นมากวิธีนำไปสู่การออกจากการรมรับสั่งว่าพิสูจนัต่างหลายอสวะเหล่านี้โรคกล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการสังวรก็เน้นว่าในกรณีที่ถ้าไม่สังวรแล้วอสวะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้น กรณีนี้ก็ให้สังบทแต่ที่นี้การเห็นเป็นต้นเนี่ยเราอาจจะเห็นพระพุทธรูปอาจจะเห็นคัมภีพระไตรปิฎกอาจจะเห็นต้นโพอาจจะเห็นพระเจดีย์อาจจะเห็นพระรมลมสาริกธาตุเป็นต้นเราจะเห็นว่าตรงนี้ต้องใช่หลักของมนสิการคือโยนิโสมนสษยการ เพราะว่าพิจารณาไปแล้วศรัทธาเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นจิตใจมจะเดินไปอีกด้านหนึ่งคือใจที่ยินดีในกุศลยินดีในธรรมะซึ่งความยินดีในธรรมะนั้นก็จะชนะการยินดีทั้งปวงสัปปะรติงธรรมระติชินาติความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง การต่อไปข้อที่สามทรงใช้คำว่าอาสวะที่พึงละได้เพราะการใช้สอยแล้วก็ทรงอธิบายพวกนี้มันก็เกี่ยวกับปัจจัยสี่คือหมายความมันเกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่สัตว์มันก็มีปัจจัยสี่ของมันเพียงแต่ว่าสัตว์ไ ม, ม่มีหลักนโยนุในโสมนสิการก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอายุในโสมนสิการ ไม่ได้ใช้ปัญญาในการพินิษพิจารณาให้ลองสังเกตว่าสัตว์เป็นอันมากนีตายเพราะการกินสัตว์เป็นอันมากนีตายเพราะการดูสัตว์เป็นอันมากตายเพราะการฟังสัตว์เป็นอันมากตายเพราะการดมสัตว์เป็นอันมาก ได้เพราะการไปจับต้องไปถูกต้องแล้วคนหลักคนก็เยอะก็เพราะวันนี้มันเป็นบ่วงค่มารเป็นอารมณ์โลกที่ชักนำสัตว์เข้าไปสู่การถูกสนสนตะภายจากอิเลตซึ่งเกิดขึ้นจากการขา การขาดการดก ข, ข, ขาดการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยว่ายวิธีที่แยบขายหลักล่านี้ทรงสอนในรูปของการให้มีการพินิจพิจารณากว่าภิกษุในธรรมินหนนี้ก็ที่จริงคนทั้งหลายในโลกนี้แห ล, ละแหละเพียงแต่ว่า ปติบอ ด, ด ค, คือทรงแสดงใช้คำอย่างไงเนี่ยเราก็ยกมาอย่างนั้นแต่ต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าทำมนั้นเป็นสาธารณแก่สัตบุรุษทั้งหลายแก่คนดีทั้งหลายผู้หญิงก็ตามชายก็ตามเด็กก็ตามคนแก่คนหนุ่มคนสาวไม่ได้เกี่ยวทุกคนจะ ต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยสีด้วยกันทั้งนั้นปัจจัยสีที่เราเรียกว่าอุปโภคบริโภคนำไปสู่ปัญหาอาจยากรรมนำไปสู่ปัญหาความยากไร้นำไปสู่ปัญหาการขอทานนำไปสู่ปัญหา สารพัดอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเศรษฐกิจ้ามแก้ถาวรได้ไหมก็คงไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าคนแต่ละคนก็ต้องบรรเทาเองโดยการใช้ปัญญาในการเพ่งพินิจพิจารณาในพระบาลีเนี่ยสงสอนในรูปของเ้าเรียกว่าตังคณิกะปัจเจเวกณะ คือให้พิจารณาในขณะที่บริโภคและใช้สอยบริโภคก็คือการกินการดื่มใช้สอยก็การอยู่อาศัยการนุ่งหม่มแล้วตลอดถึงการกินการดื่มยากแก้ไขและการจริงๆนี่ทรงสอนว่าสามช่วง จุดแรกในขณะรับเลยขณะรับปัจจจย ĩ นัาพิจารณาในแนวของสิ่งที่เราเรียกว่ายถาปัจจัยังคือพิจารณาถึงเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นแล้วในขณะบริพกใช้สอยหลังจากบริพกใช้สอยเวลานี้พระก็ใช้ทั้งสองแบบคือหมายความว่า ในขณะนั้นด้วยแล้วก็ในขณะที่ทาวัดสวดมนต์เนี่ยก็มาสวดพร้อมๆกันแปกว่าท่านก็มีวิธีฉลาดคือต้องการให้พระฉันอาหารลงมือฉันอาหารพร้อมกันก็เข้าไปจบที่แล้วก็ต้องรอเมื่อพร้อมกันแล้วก็จะสวดพิจารณาเรื่อง ข้ออาหารข้อบิณฑบาตก็สวดพร้อมกันแต่ท่านจะพิจนามากน้อยแค่ไหนเป็นไรเราก็ไม่รู้หรอกนะฮะแต่ก็สวดก็เป็นวิธีที่ดีเป็นวิธีที่ดีที่ควรแกาการยกย่องสรรเสริมรับสั่งว่า ีิสูจนในธรรมใ น, นนี้พิจนารณาโดยแยบขายแล้วเสพจีวรเพียงเพื่อกำจัดอะไรละ่ะหนาวร้อนสัมผัสแต่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานนั้นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือการปกปิดอวัยวะที่ควรแก่การปกปิด หมายความว่าถ้าไม่ปกปิดแล้วจะเกิดความอายก็เรียกว่ายังความละอายให้กำเริบพอมาถึงอาหารก็พิจนารณาโดยแยบขายแล้วเสษบินทบาทไม่ใช่เพื่อให้การนี้ดำรงอยู่เพียงเพื่อให้เป็นไป เพื่อกำจัดความลำบากเพื่อนุเคราะห์แก่พระจรน์หมายความมาอาศัยกายนี้เป็นเครื่องมือในการลักความชั่วประพฤติความดีแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปร่างกายก็กลายเป็นท่อดไม้ทอนหนึ่งที่ถูกทิ้งไป แล้วก็คิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียด้วยและไม่ให้เวทนาใหม่คือความทุกข์นะฮะความทุกข์เพราะกับมาหิวชิกัตสาปรมาทุกขาความหิวเป็นทุกข์อย่างยิ่งหรือเป็นโรคแย่างยิ่งก็สรุปว่าความหิวเก่านั้นจะถุกัรรเท่าลงไป บังการไม่ให้ความอยู่ใหม่เกิดขึ้นเสียแทงแล้วเพื่อให้ชีวิตนั้นดำรงอยู่เป็นไปโดยไม่มีโทษมีความอยู่สบายด้วยจะมีแก่เราดังนี้คือเราสังเกตว่าในแง่ของความจริงแล้วถ้าเรามองว่าสำเร็จประโยชน์ ตำเร็จประโยชน์กันแล้วกันคือชีวิตชาวบ้านที่เคยผ่านความยากไร้มาคงจะมีประสบการณ์ด้วยกันหรือแม้แต่มีชาวบ้านที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดีมีเงินมีทองเยอะแต่อาจจะตกทุกข์ลำบากขึ้นมาในช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่นว่าเดินทางผ่านป่าเขาลำนาไพรเกิดยางระเบิดขึ้นมาสักสองเส้นหรือเกิดรถแฉลบตกถนนมีเงินเท่าไรมันก็ไม่รู้จะซื้ออะไรที่ไหนแต่ว่าทายังไงจะประทังชีวิตไปได้ล่ะก็คนเหล่านั้นก็อาจจะต้องกินนะใบไม้ผลไม้อะไ ร, ต, ออะไรต่างๆไป เตือประทังชีวิตเออมันก็อยู่ได้เหมือนกันผ่านวิกฤตการเหล่านั้นมาได้บนประสบการณ์ของคนในโลกที่ลงข่าวเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนบางครั้งคนต้องกินเนื้อของเพื่อนด้วยกันที่ตายเพื่อรักษาชีวิตตัวเองให้รอด ตามปกติแล้วใครก็ไม่กล้ากินหรอกแต่พอวิกฤตก็จริงๆเนี่ยมนุษย์ก็ต้องหาทางเอาอตัวรอดแต่ประเด็นที่น่าสังเกตก็คือว่าแม้อย่างนั้นก็เถอะก็รักษาชีวิตไว้ได้เวลาสอนรงสอนในพิจารณาอาหารรบปฏิกูลสัญญาเนี่ยหรือการมองเห็นความปฏิกูลของอาหารทั้งหลาย กให้คิดว่ามันเหมือนกับพ่อแม่ลูกที่เดินทางไกลในทะเลสายว่าเวดัเดียวดยได้นะครับก็ไม่เห็นตะลิงไม่เห็นฝั่งไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็สะบีหมดลงในบนเส้นทางพอดีลูกตายสองคนก็ต้องหกล้กง่าย แต่ว่าก็หิ ว, หว่หยในสุดก็ต้องกินเนื้อของลูกเพื่อประทังชีวิตของตัวเองพร้อมด้วยการร้องห่มร้องไห้าตามไปด้วยประเด็นที่น่าสังเกตก็คือว่ า, าแล้วอยู่ด้วยอย่างไรก็ได้เอาข้าวครุกกะปิก็ได้ปลาเค็ปก็ได้หรือว่าเอาน้าใส่ข้าวเอาเกลือโรยเข้าไปนิดหน่อย ก็อยู่ได้นะก็อยู่ได้เท่านั้นชีวิตพระโดยเฉพาะพระที่กรรมฐานเนี่ยจะเจอเยอะอย่างเงี้ยประทังชีวิตไว้ได้แล้วพระที่อยู่ในสถานที่แม้แต่ที่กรุงเทพเราเองเนี่ยสมัยอัตมาอยู่ใหม่ๆปศสองพันห้าร้อยแปดมาอยู่วัดประวนนิเวศใหม่ๆ บินตบาทไม่ค่อยได้อยู่อย่างนี้ตลอดระยะเวลาประมาณเจ็ดนปะีก็ในที่สุก็ต้องตัดสินใจฉันเข้ามือเดียวบินตบาทมาแล้วได้เท่าไหร่ก็เก็บไปพอทวาวัดเช้าเสร็จออกจากห้องเรียนไปเรียนหนังสือนะฮะตอนนั้นก็ดื่มน้ำ แล้วก็กลับมาก็ยังไม่เที่ยงหรอกยังไม่ถึงเพจแต่เราไม่มีอะไรจะฉันเพจเราก็ฉันตรงนั้นเน่นจนก็ประมาณสี่โมงกว่าๆแต่ว่าั้ ง, งชีวิตยอยู่ได้ก็เรียนหนังสือผ่านมาได้เพราะในสมัยนั้นคนไม่ค่อยตักกับข้าวก็ตักแต่ข้าวกันเวล๋วนี้ เรียกว่าอู้ฟู่แหละก็เยอะแยะเหลือเฟือแต่ว่าพระ ก, ก็บวดน้อยลงก็อยู่นานน้อยลงคือเราลองพิจารณาเฉพาะสองประเด็นที่ส่งยกขึ้นมาประการแรกก็คือเครื่องนมประการที่สองก็คือเรื่องอาหารเครื่องนมนมมันก็นั่นแหละ ป้องกันอันตรายจากธรรมชาติแล้วก็สัตว์ที่ทรงยกตัวอย่างนี่คือหนาวร้อนหิวกระหายสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอันนี้ก็มีทั้งในป่าในบ้านแหละนั้นประการหนึ่งคือเป็นการรักษาร่างกาย แล้วก็รักษาความเป็นมนุษย์โดยการปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดที่ทำไมปกปิดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าละอายสำนวนบาลีว่ายังความละอายให้กำเริบคือจิตมันเกิดความละอายที่ไม่ได้ปกปิดอวัยวะแต่ว่าสังคมโลกต่อไปจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับ เพราะว่าเท่าที่ดูความเปลี่ยนแปลงในด้านการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่งตัวอย่างในวัดเนี่ยคือเวลานี้สังคมมันเปลี่ยนเราอยู่ในวัดเนี่ยไม่เคยรู้เท่าไหร่แต่ก็สังเกตได้อย่างหนึ่งว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของพระใหม่ ที่เป็นสุภาพสตรีบางคนนะฮะนานๆนนจะเจอสักครั้งหนึ่งแต่เนื้อแต่งตัวไม่ค่อยปกปิดอวัยวะให้มิถิสไม่สุภาพเรียบร้อยวางตัวเหมือนกับเป็นเพื่อนที่อยู่ที่บ้านพราเราก็ไปเตือนเขาไม่ได้เราก็ต้องเตือนพระของเรา ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจรู้จักสารวมระวังระมัดระวังในการเกี่ยวข้องในการนั่งในการพูดในการยืนเดินอะไ ร, ะไรต่างๆบางทีแกเล่นมานั่งกับอี้ที่มีโต๊ะตัวเดียวกันกับพระบางทีเท้าค้างนะฮะบางทีเท้าข้างด้วย ก็ดูแล้วก็ก็เป็นห่วงไนะเป็นห่วงว่าถ้าเราไม่สั่งสอนคนของเราให้รู้อะไรอะไรควรอะไรไม่ควรและต่อไปก็อาจจะเป็นไรละ่ะเป็นภาหะที่นำไปสู่พระไม่สามารถสำรวมระวังได้ เพราะว่าเธอก็เพิ่งบวชไม่กี่วันจิตใจไม่เข้มแข็งพอเด้ยวก็มีพระบางองค์ท่านก็เตือนเลยเตือนกันตรงกรงเลยถึงกันแน่นอนเธอก็ต้องโกรธแล้วก็เป็นปัญหายากยากในการวางตัวในการปฏิบัติตัวกับเรื่องเหล่านี้แต่ลองสังเกตว่าถ้าสำเร็จประโยชน์สองอย่าง ถามว่าจาเป็นจะต้องแพงไหมล่ะจาเป็นจะต้องสั่งชุดมาจากนอกหรือเปล่าก็เปล่านะบ้านเราธรรมดานี่แหละที่เรามีอยู่เวลาเนี้ยอย่างที่เคยสังเกตคือไม่ได้ไม่ได้เคยไปประเทศลาวนะฮะแต่ว่าเคยไปพบญาติโยมชาวลาวที่ฝรั่งเศสกับที่สหรัฐอเมริกาที่อังกฤษด้วย ยาโยมก็ก็มาวันประทับใจมากว่า ย, ยาโยมชาลาวนี่แต่งตัวสุภาพมากเรียบร้อยมากแล้วก็เป็นลาวแท้ๆเลยปกปิดอวัยวะเรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์น่าชื่นชมแต่คนไทยเราส่วนใหญ่ก็เหมือนกันอย่างนั้นนะยกเวนเ้นแต่ว่าบางคน เวลาอยู่ในต่างประเทศรู้สึกว่าจะเคร่งวัฒนธรรมไทยซึ่งก็เป็นความดีที่ควรแก่การยกย่องแต่ว่าเรามองในแง่ของเศรษฐกิจว่าถ้าเราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์จริงๆของการบริโภคอาหารของการนุ่งคม่ม การดิ้นรนขวนขวายรนปลือตัวเองบำรุงบำรเรือตัวเองแล้วก็ไปรับใช้เสื้อผ้ารับใช้อาหารแทนที่เราจะเป็นนายมันมันก็เป็นนายเราบังคับเสือกใสผักไสให้หาอย่างนั้นให้หาอย่างนี้ให้หาอย่าง น, น้นเ่อนก่อนนั่งรถไปในที่หนึ่งที่วัดราชานะ เดกก็บอกว่าหอมหมกร้านข้างประตูวัดเนี่ยอร่อยแล้วมาก็บอกว่ามีอ้อคาที่ไหนที่เขาโฆษณาของเขาว่าไม่ดีความมลอยมันไม่มีในโลกหรอกความมลอยเป็นเรื่องความรู้สึกปัจจัยฝังใจของคนจนกลายเป็นอุปท า, านแล้วเมื่อเราอุปท า, านอย่างนั้นตัญหามันก็เกิด อยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากชิมอยากจับต้องสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าคนที่เขาไม่มีอุปท า, านมาก่อนเรียกเขามาชิมเนี่ยเขาังไม่ชิมเลยเรื่องนี้นานมาแล้วเมื่อปศสองพันห้าร้อยห้าก็อย่างที่เกิดวัตถาภั ย, ยที่รู้กันเนี่ย แต่มาก็มาอยู่กรุงเทพก็ใหม่ๆนะฮะมาอยู่504 505ก็เกิดวารภัยเราก็ไม่มีกำลังอะไรไม่รู้จักใครแต่พอหาค่าพานะเพื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติโยมได้แล้วก็หาพวกขนมปังอะไระอะไรไปปรากฏว่าไปลงรถไฟที่นาศาร ไปแวะที่บ้านญาติเพื่อจะนั่งรถยนต์ต่อไปจยเห็นอา ด, ดมที่ประสบวัตภัยเป็นจำนวนมากเราก็ก็มีขนมปังมีแยมมีอะไรนะต่อไรนี่นะมีอะไรน้ำฟลิกเผา ก็แจกโยมปรากฏว่าโยมบางคนในถอยกลูดเลยไม่กล้ากินแต่เราได้ความคิดนะเออโยมเหล่านี้ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้านการวินิจฉัยว่าควรกินหรือไม่ควรกินเนี่ยมันจริงเกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีกำลังพอแต่ว่าพอให้ทดลองชิมดู พอชิมแล้วเาก็เาก็กินกันนะครับกินกันบางคนก็ชิมทีละนิดนิดก่อนแล้วจึงกินเป็นคำทำให้เราเข้าใจว่าเออไ อ, อรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องนั้นมันไม่มีจริงมันเป็นเรื่องตัณหาปราทานภายในใจของมนุษย์ที่สะสมมา เพราะไรเพราะเราไม่เห็นสากลเนทั้งรูปสวยก็ไม่สากลตัว น, นี้เอารสอร่อยก็สัมผัสน่าจะต้องนั่วก็ไม่สากลขึ้นอยู่กับความพอใจของคนนะนั่นเองทีนี้พอมาถึงที่อยู่อาศัยเนี่วัตถุประสงค์มันก็แนวเดียวกัน คือเพื่อบรรนทาอันตรายที่เกิดแต่ละดูเพื่อร่วมรวมในการหรีกเล่นและพิจารณาโดยย่อขายถึงการเสพบริการคื อ, อยากแก้ไขเมื่อก็บอกแล้วว่ายากแก้ไขแต่เราไม่เป็นไข่เราก็ไม่ต้องรับประทานต่อเมื่อเป็นไข่จึงรับประทาน การพิจารณาตรงนี้มันไปสู่การละโมกจนตะกร้าตะกรามอยากได้อยากมีอยากเป็นกาโดยวิธีการต่างๆซึ่งถ้าเราเข้าใจถึงเนื้อหาสาระที่แท้จริงของของ ของการดำารงชีวิตที่ยึดโยงอยู่กับปัจเจ sĩ แล้วก็มองไปที่สำเร็จประโยชน์เป็นหลักปัจเจ sĩ แต่ละอย่างนั้นขอให้สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการรับประทานอาหารากระจัดเวทนาเก่าได้ไหมป้องกันเวทนาใหม่ได้ไหมแน่นอนมันก็ป้องกันได้ระยะสั้น ตัวอย่างที่เรารับประทานอาหารกันเรื่อยๆเนี่ยพวกมันป้องกันได้สั้นๆมันลงไปแล้วมันไม่ได้อยู่เฉยมันก็ถูกย่อยย่อยแยกกระจายออกไปหลอเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็มันเผาเวทนากะว์เวทนาใหม่ก็ถูกยับยั้งเอาไว้เออสัตย์มีประโยชน์แต่ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันน่ยที่จริงเรา ถ้าเราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์จะไม่ต้องนิดนโอนขวนขวายอะไรมากตอนเดือนพฤษภาเนี่ยพบกับท่านอาธิบดีโรงการาศาสนาคุณสดแดงเหยียดคุยไปคุณมาเนี่ยเขาก็ซักถามถึงความเป็นอยู่พครอบครัว ก็บอกว่าเขาไม่มีลูกหรอกเขาอยู่กันสองคนตายายก็มีบ้านหลังหนึ่งชั้นเดียวแล้วก็มีที่อยู่ร้อยห้าสิบตารางวาแต่ว่ า, ามีเท่านั้นแหะบอกมีเท่านั้นแหะทางชีวิตมีเท่า น, นี้แล้วก็ไม่ดด้โดนขวนขวายที่จะหาต่อไปละ นั้นแสดงให้เห็นว่าเออคนที่ ร, รับราชการมาด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละซื่อสัตย์สุจริตไม่หาเศษหาเลยจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็มีอยู่อ่ะมีอยู่ให้เห็นแด้แกก็อยู่อย่างสมถะเรียบเรียบง่ายๆธรรมดาธรรมดาก่อนชีวิตพระจึงเป็น พิเจาก็พยายามสอนให้เป็นต้นแบบแต่ว่าชาวบ้านไม่ใช่เป็นต้นแบบไม่ใช่เป็นตัวอย่างอาจจะเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงภายในสังคมคือญาติโยมเวลาถวายทานเนี่ยก็มักจะถวายของดีๆแก่พระ ซึ่งก็เป็นเจตนาอย่างหนึ่งของการให้ทานพอระบายของดีๆคล้ายๆ ก, กินดีอยู่ดีแต่ก็ลืมไปว่าพระประฉันได้เช้าชวดเที่ยงเท่านั้นเองหลังจากเที่ยงไปแล้วเราจะเห็นว่ามันก็มีอีกหกชั่วโมงจึงคำ แล้วตกรลงคืนนั้นก็อีกเท่าไรละ่ะก็ร่วมิก็เรียกว่าสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงมาไปต่อไปก็ประมาณทักสองโมงหรือหรือโมงเช้าจึงมีการฉันเวลาที่ไม่ได้ฉันอะไรนี่มันเยอะมากวันๆเนี่ยเราต้องมาทางชีวิตไปด้วยพวกน้ำมาน้า น้ำต่างๆก็แล้วแต่น้ำอะไรที่วินัยอนุญาตเอาไว้ก็ฉันได้แต่นั้นถ้าก็อยู่กันมาได้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาศ น, นี่ก็เป็นการสอนให้พิจารณาคือถ้าพิจารณาได้อย่างนี้อาสวะที่ยังไม่เกิดมันจะไม่เกิด ที่เกิดแล้วก็จะเสื่อมไปแต่าาประกาศไปการพิจารณาในที่สุดเนี่ยเราจะต้องหลยตามเราจะพยายามทีนดคนผลขวายเพื่อตอบสนองความอยากที่มันเกิดขึ้นเราหาจุดเต้นจุดติ่มจุดพอไม่ได้ครับตกลงว่าเราอยู่อย่างผู้รับใช้ตัวเองรับใช้กิเลส น, นะฮรับรับใช้กิเลส จะใช้กามาสวะรับใช้ภวะสวะรับใช้อวิชชาสวะหรือว่ากิเลส ท, ที่มีชื่ออย่างอืง่นแล้วก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเล่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดที่บังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่พิจารณาปัจจัยอันใดอันหนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อนอันทาให้เกิดความขับแคนเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้พิจารณาเสพอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทว่าวอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าพึงละได้เพราะการพิจารณาในการใช้สอยประการต่อไปก็เป็นเรื่อง การใช้หลักขันติขันตินั้นเป็นกรณีที่เรื่องสุดวิสัยนะเราไปอยู่ไม่ไม่อยู่ในฐานะที่เราจะแก้ไขอะไรได้พระบาลีพุทธวจนะนั้นทรงใช้คำว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณานโดยแยกข่ายแล้วเป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายสัมผัสแ่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลือ้อยคลานเป็นผู้มีชาติของผู้อดกลั้นต่อคำหยาบขายคำสอเสียดต่อเวทนาที่มีภายในซึ่งมาเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์ราแข็งเผ็ดร้อน ไม่เป็นที่ยินดีไม่เป็นที่ชอบใจอาจท้าชีวิตเสียได้ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดจึงมันเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นั้นผู้อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้อดกลั้นอยู่อย่างนี้ พิสูจนังหลายสว่าเหล่านี้เรากล่าวว่าพึงละได้เพราะการอดกันเราจะเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่มันมันมันต้องมีอ่ะมันต้องมีต้งเหตุปัจจัยของมันซึ่งเรากล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าความวิปลาดแปรปรวนของธรมรมชาติทั้งหลายเกิดหนาวจัดเกิดร้อนจัดเกิดที่มาตก เกิดแท้งแล้งประสบความเดือดร้อนทุกทรมานสารพัดเราก็อยู่ตรงนั้นเน่ก็หาทางได้ทำได้เคียงบันเทาบันเทาได้ก็ระดับหนึ่งนอกอ่างนั้นก็คือต้องอดทนคนอยู่ให้ได้ทํากลางการบีบคั้นของสภาพแวดล้อมเหล่านั้น อีกประการหนึ่งก็คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยการเสียดแทงของโรคเป็นต้นโดยการเสียดแทงของอาร้อนเป็นต้นก็เหมือนกันแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโรคภยัยที่เจ็บมันก็เกิดขึ้นมาจากข้างในรักษาก็รักษ า, กกษากไปแต่เมื่อมันยังไม่หายเสียดแทงเราก็ต้องทน ซึ่งทุกคนก็ผ่านปร ะ, บประสบการณ์ตรงนี้มาอีกประการหนึ่งคือความเหนื่อยยากในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรอะดูตัวอย่างง่ายๆว่าเรานั่งจะเริกนกรรมฐ า, านเนี่ยมา20นาทีนี่หนักพอขึ้นไป30นาทีนี้บางทีชาถึงเสะเอวเลย มานคนบางคนเนี่ยก็ต้องทนนั่งก็เรียกว่าปวดจนหายปวดพร้อมด้วยพิจารณาเวทนาตามไปและเห็นว่าเวทนาทีจริงเมื่อเกิดขึ้นดำเหตุปัจจัยพอมันขึ้นสูงสุดมันปวดสุดสุดแล้วเนี่ยมันต้องลดอะ่ะเอาจนเวทนาลดร่างกายกลายเป็นปกตินั่งต่อไปมันก็ปวดดีกะ เรก็หมุนบดอย่างเงี้ยก็ได้เกิดขึ้นกันอยู่ดับไปอย่างนี้เราต้องทนทีนี้วาจาที่เสียแทงต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองประการคือกระตุ้นราคากับกระตุ้นโทรศัพที่เสียแทงค่อนข้างแรงเนี่ยคือกระตุ้นโลภะกับกระตุ้นโทรศัพก็แถมกระตุ้นราคาขึ้นมาอีกกได้ ไฟตาในลักษณะนี้โอกาสที่จะทนเนี่ยเราจะเห็นว่าโทสะนี่มันเป็นไฟร้อนเห็นได้ชัดเลยเห็นเปลวเห็นความร้อนมันเลยแต่ว่าราคะกับโลภะเนี่ยมันเป็นไฟคล้ายๆกับไฟแกร็คคือไม่เห็นเปลวไม่เห็นเปลว เพินเวลาคนขาดการสังเกตเนี่ยอาจจะเดินเหยียบเข้าไปในกองไฟแกรบแล้วก็ถูกแผดเผาสหาหัส ก, กันเพราแรงกระตุน้นกระตุ้นให้เกิดราคากับกระตุ้นโลภะเนี่ยมันจะโน้มน้าวจิตใจแสดงถึงความหวังดีของเขาที่มีต่อเราจะเรียกว่าอ่อยเหยื่อ เป็นลักษณะการอ่อยเหยื่อเพื่อให้เหยื่อนั้นตกเป็นเครื่องมือในการทําตามความประสงค์ของตัวเองเพราะนิจกรรมเหล่านี้เป็นอันมากที่เราสนใหญ่ก็ต่อทนไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างการโฆษณาอะไรต่างๆในลองสังเกตเราที่จริงก็คือกระตุ้นความอยากของเรานั่นเองกระตุ้นต่ อ, ตอความอยาก มันมีการได้เป็นอันมากที่ได้ไปแล้วเป็นภาระในการเก็บรักษาในการดูแลกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเสื่อมสลายไปเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ใช้อะไรมันแต่ว่าเขาให้มาแล้ว แล้วถ้าจะของเขามาเขาเกิดไม่เห็นเนี่ยเขาก็ต้องซักถามเอาเราก็ยุ่งต้องรับใช้สิ่งเหล่านี้อีกนี่ก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องใช้หลักโยในโสมนสติการแล้วก็มองไปที่ประโยชน์พรตรงนี้ถ้าไม่อดทนน่ยจะเป็นยังไงแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าไม่อดทนไว้จะเป็นยังไงถ้าอดทนไว้จะเป็นยังไง ก็จะพราบว่าการอดทนเท่านั้นเป็นเรื่องดีที่สุดตอนนี้นเราตั้งเกตว่าเรื่องที่เราควรอดทนจึงมี4ประเภทดังกล่าวนี้ความไม่ปริหลีแปรปรวนของธรรมชาติทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนเสียดแทงความเหื่อยยากในการปฏิบัติภารกิจการงานทุกสาขาอาชีพทั้งละ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการกระตุ้นให้เกิดราคาให้เกิดโลภะก็กลับไปที่ยินโทโทสะก็คือยินดียินร้ายนั่นแหละนี่ก็เป็นหลักประการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการละอาสวะโดยการใช้หลักโยนินโสมนติกาคือพิจารณาโดยอุบายวิธีที่แยบคายนั่นแหละ